พนามทิ้งพระพุทธเจ้าพระทหารสมาม ธ, ธิโทกราเป็นตนเราพนามถึงพระธรรมสมก็เหมือนกันถ้าจิตเราแน่วแน่ทึงคุณพระพุทธธรรมนี้สจริงก็เป็นประโยชน์จิตเราแน่วแน่เท่านั้นอิ่มพอเต็มตื้นขึ้นมา คือปีติอันน okay. <fun> well ั้นเน่ยเรียกว่าพื้นฐานของภาวนาตลอดทิฏกาวนณโมหรืออิติกิโสกโสุขสตุุทิปโนก็อันเดียวกันนนะท่างหากจิตเราแน่วแน่เต็มที่เป็นอนุตสงบ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 พิปัจนาไม่ใช่ของเป็นง่ายเป็นแต่ละครั้งนาทีนี่จังหลายปีหลายสิบปีก็จะเป็นยิปัจนาเป็นของเป็นเองไม่ใช่วิปัสนิตมัคิดสงสยัยไม่ใช่ยิปัจนาถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันชัดเจนแจ่แจ ง, งขึ้นในใจ ลงอนิจจังทุกขั้งน่าจะตามดัดสภาพทั้งหลายทั้งโลกนี้มดัดทุกสิ่งทุกอย่างวาดลงเป็นอนิจจังทุกขรั้งน่าตามดัดนั่นเึงเป็นเป็นอิปัสสังคราวนี้ผู้ดำดับทิ้งเรื่องศีลเมื่อกล่าวถึงคุณพระุทตามประสมเที่ยาทําไปเป็นต้นแล้วศีล จะเป็นสินห้าหรือสินแปดสินเจ็ดสินสิบหรือยี่เจ็เอาเรารักษาสินได้แล้วงดเกิดกล่าวพิจารณาทังเรื่องว่าสินข้อนั้นขพรนั้นแล้วงดเว้นเจตนาเวเจตนาวิริยะงดเว้นเป็นสินสมบูรณ์บริบูรณขึ้นมาในตัวของตนแล้วเห็นว่า บาป ก, กรรมนั้นๆเราไม่ทำเรางดเว็นได้แล้วข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าเป็นต้นไปเราดเดินจะคข่มชั่วควมชั่วเหล่านี้แหละแล้วไปเจ้าดันเทศที่นาว่บบาปบาปปาประทำเรางดเว้นได้แล้ว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 เกิดปททัจจัยสมาธิขึ้นมาในตัวต่อท่านเนี่ยให้มันอยู่นั่นเองก่อนมันปัญญาเนะี่ยนะว้ตอนนึงตั้งหากเจริญให้มันชำนิชำนานจำเดินให้มจำเดินนั่นมายคร่องแค่ทำให้มันอง พาวิโตพระมรีก็โตันวัจนเลนให้มากทำให้ยิ่งยิ่งจะเป็นไปฝึกขมรูขคมรูยิ่งขึ้นมาทำนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ขเกียจเสียโดยไม่จะทำข้าวหลังคั่วหาไม่เห็นไม่สราบว่าศไปอยู่ไหนเราลัก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 เาขา้องเก่านะั่นแหละพวกผู้พวเราที่มันฟังเทศแต่ของเก่าคนผู้เก่าไปฟังที่ไหนกับคนผู้เก่านี่แะธรรมะที่ท่านเทศถนัดกระจายไนปะอธิบายกุวงๆไปตามองหาน้องท่านโดยเข้าใจเป็นของใหม่โนยหลงหลงของเก่าใช่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 สมาทานชินแั บ, บ, ญญบของเก่าสมาธิกับของเก่าปัญญากับของเก่าถ้าพิจารณาของเก่าซ้าๆซักซากนั่นมันเบื่มันก็เบืรร่อบุพีมันไม่เกิดสมาธิปัญญาชินมันก็ไม่มีมันก็เบืรร่อสิชินทางนี้อยู่ในตัวแล้วล่พิจรารณา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 อุบายนะั่นมันอันหนึ่งเงียบคายมันอีกอันหนึ่นงเลยความเป็นจริงนั้นอุบายนะ่ฟังเทศฟังธรรมของคนอื่นด่งหาะเงียบคายถ้าคือปัญญาของเราเกิดขึ้นมาไม่เหมือนเดนอกคนเราอัเนเงียบขายนะั่นมันเกิดวูว้มากขึ้นมาชับเจนแจงแจงเดยตนเองบอกใครไม่ถูกอุบายนะในเงียบขายนะ่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 อันน้อยนิบเดียวกันน่ะมันเกิคเดควมรุงขึ้นมาชาดเจนแฉ่งแจ้งกันกรทั่งน้ำตาร่วงตะไลสรุปสังเกตด้วยเหตุที่เราพิจารณาเจริงในคุณของท่านทั้งหลายแล้วนะั้น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 ครั้งที่ตืนอนี่แหละพิจารณาของนิตุนี่แหละที่จะ เ, เหตุมาฝนนิพพานได้ก็ด้วยเงียบขายนั่นเองแต่ครั้งพุทธการพระไปนั่งภาวนาอยู่ถิรรทศให้นักยานจริงสาจะเอามาเป็นปริกรรม ยังได้คอนเสิร์ตว่าผลนิพพานน่นนี่้ลึกซึ้งอะไรท่านพิจารณาอะไรก็ไม่ทราบตออย่างจิตปลาเต็มคนรู้คนหนึ่งรู้ขึ้นมาอย่างหนึ่งตัหานถ้าหากว่าเราไปพิจนาจะพิจาราเยองอย่างจิตปลาอาจจะเป็นรู้เลย เห็นสลดสลดทั <t <t <t <t ้งเวทในซักที่เบี่ยดเบียนทิ้งกันในกาก็ได้อาจจะรู้ด้วยซักเบียนว่าไอ้จเกิดขึ้นมาแล้วมันเบียดเบียนทิ้งกันในการปัจจัยเกิดขึ้นมาแล้วกินกันตัวน้อยกินตัวใหญ่ก็ตัวไม่มีปัญญาตัวมีปัญญากินก็ได้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 จนถนิโรธสมาบัตินิโรธไม่ใช่นิพพานท่านย้อนกลับคืนมาถึงพระโ ม, มิชาญย้อนกลับไปถึงเจุติชานพอจดุิตจ า, จากกรตุตชานในจันีา่านในระหว่างกามาพจอนกระลูกปาจอนก็ดูดีไม่ใช่รูดรกันแล้วลูดีตูดีละ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 คิดว่าตรงนั้นจะเกิดปัญญาปัฒนาไม่ใช่ทนะั้งนั้นปัญญาปัฒนาแท่ไม่ใช่อย่างนะี้เพื่อเจรปัจรานี่ <c oughs> <c oughs> ความที่เราจะปฏิบัติให้เป็นไปอย่างนั้นต้องอาศัยจิตให้ ต้อง ใ, ให้เข้าใจถึงเรื่องใจไม่เข้าใจทเรื่องจิตจิต ก, ก่อนถ้าหากไม่รู้เรื่องจิตไม่รู้เรื่องใจมันก็ฝึกพุทปฏิบัติไม่เต็นไปเต็นไปก็ไม่รู้เรื่องบางคนก็เต็นไปแล้วหละสมาธิภาวนาท่นไม่รู้เรื่องของเราเรเต้นอะไรตัว อ, อะไรสงสัยเรื่อยไป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 การออกม่ใจสักพักนึงไม่มีคิดคุ้ม แ, แต่รู้สึกว่ามีผู้มี่ผู้นั้นมีอยู่อันนั้นเป็นตัวใจแท้ใจนั้นเป็นจิตต่งางกรืครับตํลังเป็นของเรื่องบรพัดสอนอยู่ตลอดเวลา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 แล้วไม่จะเข้ารวมลงมาเป็นใจของเก่านั้นอพร น, นั้นชําระมันชําระรักษาเงินตลอดเวลาทุกเิียาปวดนั่นจะรวมมาเป็นใจของเก่ารวมแล้วมันก็จะออกไปอีกไปเป็นจิตอีกชิดนิดปรุงแต่ง ก, กับชาระของเก่าน่ะการชําระยังนี่แหละชำนี่ชํานานรู้เท่ารู้เรื่องของมัน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 ันเรายังค่อยเสื่อมจากสมาธิเสื่อมจากสาสตรเสื่อมจากปัญญาตรงนี้เองการพิจารณาอะไรก็ตามเถอะรู้เท่ารู้เรื่องเขามันดังอธิบายฟังมานั้นแล้วมันมีที่สุดคือมันรวมลงมาเป็นใจของเก่ามันรวมลงมาทึงใจของเก่าพุทธศาสนานี่มีที่ส เรียนไม่จบไม่ใช่จบไม่เป็นพระพุทธเจ้าสอนสาวกทงหลายสอนถึงที่สุดแห่งอรหัตมรรมกลาัตกุลแล้วก็ส่งไปประกาศปาศนาะคำว่าสอนถึงที่สุดแห่งวารหัตมรรมกราทบกุลนั้นอย่างนี้แหละถึงที่สุด คือมันเข้ามาเป็นใจแต่ท่านไม่ได้สเสเ่็จของคนนิพพานทุกผมถ้าหากว่าไม่มีที่หยุดที่ยัง่งอะไรแล้วตระเนวนโปรยไปใช้ไม่ได้สมาธินั้นใช้ไม่ได้เพราะปัญญาไม่ใช้ไม่ได้